ผู้บริหารตามที่พระองค์ทรงประสรงค์สองจำเป็นต้องเสียสละชีวิตและสิ่งมีค่าเพื่อเชิดชูศาสนาของอรลัลต์วาดภาพข้อเท็จจริงของโลกนี้ว่าไม่มีสาระปราศจากแกนสารและเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อมิให้มนุษย์หลงระเริงต่อมันบทได้เริ่มโดยการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาลเช่นต้นไม้ก้อนหินมนุษย์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 ส่งซ่อนเร้นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงธาตุแท้แห่งข้อเท็จริงของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้กำหนดจัดเตรียมจักรวรรองค์การต่างๆ ต, ต, ต่อมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจกว้างขวางและบริจาคในทางของลอเพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้นจำเป็นแก่ผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สิน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 ด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้สองสะดุดีแด่อัลลอฮ์และโระงเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ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 และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรอู้ทุกสิ่ง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 แล้วลอนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอำนาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์และการงานทั้งหลายถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เท่านั้น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 พระอิค์เป็นผู้ประธานองค์การแันชัดแจ้งลงมาแก่มุฮัมหมัดเบาวของพระอเพื่อนำพวกเจ้าออกจากบรรดาความมืดสู่ความสวาม่างและแท้จริง อัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอต่อพวกเจ้าว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 ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ใ น, นทางขอร้องก่อนการพิชิตนครม ก, กาชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ใ น, นทางขอร้อะหลังจากพิชิตนครม ก, กาแล้วล้อได้ทรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่าย แลอลัลอนั้นทรงรับรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำใครคือผู้ที่อัลลอฮ์จะให้ยืมบริจาคในทางขอล้อง AH, ด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มผลบุญแก่เขาและเขาจะรับรางวัลอันมีเกียรติคือสวนสวรรค์ ย์วันที่เจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้สรธาชายและบรรดาผู้สรทาหญิง